ปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกประปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายน้ำลง ทอถึงก้นคลองมองเห็นกลางติดตอน้ำลงพี่ลุยน้ำเพียงนองน้ำลงนนกร้องอกพี่ต้องอื่ขคงคำสัญญามาแปรเปลี่ยนลากล้องพี่ต้องเงียบเงาเศร้าตรงสมเหมือนนม กระปูดมันร้องน้ำลงคร้นใดหัวใจแทบลุ่นสิงนกกระปูดร้องมาคิดถึงวันนั้ น้ำลงน้ำลงเห็นคลองแหงเหมือนใจ กาำใจน้อย เห็นทลองแหงเหมือนใจนางเล็แห้งเหมือนดังเสร็จหงใจละเลือนเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงใจละเลือนเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงน้ําเดือนสิบสองว่าทรงอย่างไรลงเหมือนกับใจนอง ปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนก ป, ปูดตาแดง